เดี๋ยวนี้มีอาชีพใหม่ๆนะที่น่าสนใจเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการนะซึ่งมีคุณค่านะแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมากแล้วก็ทำท่าจะไปได้ดีนะถึงแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะขายของแล้วก็อาจจะขายได้ไม่สะดวกนะแต่ว่าการให้บริการบางอย่างนี่มันเหมาะกับยุคสมัยมาก เเคยเล่าไปแล้วนะเมือ 2, ่อสองสามปีก่อนนะมีอาชีพจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบบ้านก็คือจัดบ้านนั่นเองนะจัดข้าวจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ป่วยนะไม่ได้ป่วยธรรมดานะป่วยเพราะโรคซึมเศร้านะคนเหล่านี้นี่ไม่มีเลือดไม่มีแรงจะทำอะไระบางทีก็นอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเลย กินก็กินบนเตียงเพอเพอไม่อาบน้ำเดือยก็ปล่อยข้าวของให้เลอะเทอะก็มีคนรับอาสานะจัดบ้านให้ให้สะอาดให้เรียบร้อยให้โปรงโร่งนะดูแล้วสบายตาสบายใจตอนนี้ก็มีอาชีพใหม่อาชีพหนึ่งนะไม่รู้ว่าทรมานานหรือยังนะแต่เพิ่งได้ข่าวนะเป็นอาชีพสำหรับ ช่วยเหลือผู้สูงวัยนะโดยเพราะในเมืองเช่นกรุงเทพเนี่ยคือขับรถนะขับรถพาผู้สูงวัยหรือคนแก่นี่แหละไปตามที่ต่างๆเช่นอ่ไปหาหมอนะเพราะเดี๋ยวนี้คนแก่นี่มีนัดไปหาหมอตรวจสุขภาพบางทีก็ไปที่โรงพยาบาลไปตรวจเลือด ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ก, ก็ต้องไปรับบัตรด้วยนะรับบัตรแล้วก็ตรวจเลือดนะคนแก่นี่บางทีไม่มีใครพาไปอะที่ไม่มีใครพาไปเพราะว่าไม่มีลูกหรือมีลูกนะแต่ลูกก็ไม่ว่างต้องไปทํางานแถมมีลูกแค่คนเดียวนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะัมีลูกหลายคนนะช่วยพาพ่อพาแม่ ไปโรงพยาบาลช่วยอำนวยความสะดวกให้นะเช่นไปรับบัตรไปต่อคิวนะพาไปเจาะเลือดพาไปเป็นเพื่อนระหว่างที่นั่งรอหมอหรือว่าระหว่างที่นั่งรอผลนะมีคนรับอาสานะทำแทนให้หรือว่าเวลา ผู้สูงวัยเช่นพ่อแม่นี่จะไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดฉายแสงฉีคิมโม่ล้างไตนะก็มีคนรับอาสาไปเป็นเพื่อนตั้งแต่ขับรถเลยนะจากบ้านไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่งเป็นเพื่อนระหว่างที่ล้างตายนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะก็มีคนมานั่งเป็นเพื่อนพูดคุย แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็รับทํำหลายอย่างนะถึงแม้ไม่จะไม่ป่วยนะแต่ว่าอยากจะไปวัดอยากจะไปทําบุญนะอยากจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆอยากจะไปกินของอร่อยๆอยากจะไปชอบ ป, ปิ้งซื้อของมีคนรับอาสานะขับรถไปเลยนะพาไปวัดพาไปห้างแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกินข้าวนะก็อมีเพื่อน พาไปกินข้าวหรือแม้แต่นะจะไปเยี่ยมญาติญาติบางคนก็อยู่บ้านพักคนชาราบางคนก็อยู่โรงพยาบาลไปไม่ถูกไปไม่เป็นน ะ, ะมีคนขับรถพาไปเยี่ยมญาตินก็ได้มีโอกาสสังสรรค์มีโอกาสได้พบปะผู้คนหรือบางทีก็ไปเยี่ยมเพื่อน เพื่อนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลน ะ, ะก็ไปเยี่ยมเขาที่จริงทั้งหมดเนี่ยมันเคยเป็นหน้าที่ของลูกนะหรือหลานสมัยก่อนนี่ก็มีลูกมีหลานเนี่ยช่วยพาไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันอย่างที่ว่านะลูกหลานก็ไม่ค่อยมีเวลาแถมบางทีไม่มีลูกด้วยเพราะว่าเป็นโสดนะ แล้วลูกก็มีแค่คนเดียวนะไม่ใช่มีสีห้าคนเหมือนเมื่อก่อนผัดเวรกันแตะมือกันหรือถึงมีลูกนะแต่ว่าลูกก็อาจจะไม่ค่อยให้เวลาให้ใส่สใจเท่าไหร่เพราะว่าไปหมกมุ่นกับเรื่องการทำงานหาเงินมากกว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยหรือคนแก่นี่ต้องถูกปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็ต้อง พยายามช่วยตัวเองมากขึ้นนะไปโรงพยาบาลคนเดียวไปหาหมอคนเดียวเนี่ถ้ามันมีบริการแบบนี้นะซึ่งมันเหมาะมากกับสังคมไทยปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมผู้สูงวัยเดี๋ยวนี้คนสูงวัยมีเยอะมากนะอาจจะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะของประชากรประเทศในเวลาเนี้ยซึ่งเยอะมากเนะอาชีพเนี้่ยนะมันนะ เขาก็คิดค่าบริการนะแต่ว่ามันก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่มีเงินไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือว่าคนที่เป็นลูกนะลูกอยากจะพาพ่อพาแม่ไปโรงพยาบาลพาไปหาหมอพาไปวัดทำบุญพาไปห้างแต่ไม่มีเวลาตอนนี้ก็มีบริการแบบนี้นะซึ่งน่าสนใจมาก แล้วเขาก็มีจุดขายนะคือไม่ใช่แค่ขับรถอย่างเดียวนะแต่ว่าดูแลเป็นเพื่อนด้วยใช้ความสุภาพอ่อนโยนนะเป็นจุดขายนะเพราะว่าคนแก่นี่ก็ต้องการเพื่อนมากจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะออ่พาไปโน่นไปนี่นะ ที่ขาดคนแม้กระทั่งคนเนี่ยที่มาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้คนแก่ก็ต้องการนะเพราะว่าคนแก่จนวนมาก้านี้เขาก็กิงอยู่นะไปเที่ยวที่โน้นที่นี่ก็ดีหรอกแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่มันต้องอยู่บ้านแต่อยู่บ้านนี่ไม่มีใครสมัยก่อนก็มีลูกมีหลานแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีหลานให้เลี้ยงแล้วดูโทรทัศน์ดูโท ร, ทรศัพท์เล่นโทรศัพท์บ่อยๆมันก็เบื่อ นะพ่อแม่หลหรือคนแก่หลายคนก็บอกเหงาบางคนถึงก็บอกไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไอตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่นะก็ยางมีอายุยืนนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ยางมีอายุยืนกนะันทุกคนนะแต่พออายุยืนเข้าคือกลายเป็นคนแก่ไม่อยากจะอยู่แล้วหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเพราะเหงา ลูกๆ ก, ก็ไม่ค่อยว่างจะหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านก็ยากเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มีนะบริการอีกแบบหนึ่งนะเป็นเดย์แคร์นะแต่ไม่ใช่เดย์แคร์สำหรับเด็กนะเดย์แคร์สำหรับคนแก่เอาพ่อเอาแม่ไปทิ้งไว้ไปฝากไว้ดีกว่านะใช้คำ ว, ว่าฝากไว้ตามศูนย์ก็มีคนแก่เยอะที่ถูกฝากไว้ก็เลยมีเพื่อนมีสมาคมมีสังคมถึงตอนเย็นลูกก็พากลับ แต่ว่าถ้าเกิดลูกนะไม่มีเวลานะเพราะว่าเลิกงานดึกเอาก็ใช้บริการนะที่ว่าเนี่ยพาไปส่งนะศูนย์คนแก่ตอนเช้าตอนค่ำหรือตอนเย็นก็พากลับอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมากเรื่อยๆนะถึงบอกว่าเป็นเป็นอาชีพที่มีอนาคตนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะแย่นะแต่ว่าคนที่เขาคิดหาช่องทางหาลูทางในการอ่า ทำอาชีพใหม่ๆก็มีเยอะอันนี้เป็นควาคิดด้วยนะคนหนุ่มคนสาวเวลานี้เนี่ยต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะว่าถ้าตัวเองแก่เนี่ยจะทําอย่างไรบางทีการที่รู้จักอยู่คนเดียวให้เป็นนี่ก็สําคัญเหมือนกันไม่ต้องรอให้ใครมาเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นเคล็ดลับนะหรือวิชาที่สําคัญนะสําหรับคนเลยก็ว่าได้ไม่ใช่พระผู้สูงวัยแต่ว่าคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็ต้องเตรียมเผื่อไว้นะถ้าอยากอายุยืน ก็ต้องเตรียมใจว่าอายุอยอะนั่นคือแก่และแก่นี่ก็อาจจะอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีใจเป็นมีจิตเป็นเพื่อนนะมันก็อยู่ได้นะอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้เหมือนกับอยู่หลายคนนะอย่างที่พระเจ้าเคยบอกไว้เนี่ยอยู่หลายคนก็มันก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็มันก็อยู่หลายคนะธรรมะนี่มันช่วยได้นะเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวก็มีคําว่าเหงาอยู่หลายคนก็อยู่กันหลายคนก็มีคําว่าวุ่นวายจิตสงบนะพบความสุขได้ภายในแม้คนจะเยอะ ไม่มีใครเลยนะใจก็ยังสดชื่นผ่องใสได้นั่นจะหวังพึ่งคนเนี่ยมาเป็นเพื่อนหรือพาไปเป็นเพื่อนที่นอนที่นี่เนี่ยก็ดีอยู่นลแต่ว่าอย่าลืมพึ่งตัวให้เป็นด้วยนะอยู่กับตัวให้เป็น